ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการเจริญกรรมฐ า, านใหม่สำหรับการเจริญกรรมฐ า, านเมื่อคืนนี้ได้พูดถึงภร ม, มิหารสี่แล้วคืนนี้ก็คงพูดถึงพร ม, มิหารสี่อีกเพราะว่าก่อนจะลงมาท่านบอกให้พูดพร ม, มิหารสี่ใหม่คำว่าพูดใหม่ได้ไหมความว่าการเจริญกรรมฐ า, านน่ยอันดับแรกที่สุดก่อนภาวนา ต้องขึ้นต้นด้วยเมตตาพร ม, มีหารสี่เมตตากรุณาสองอย่างอันนี้มีความสําคัญมากว่าถ้ามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารจิตจะมีความเยอกเย็นเมื่อจิตมีความเยอกเย็นแล้วอารมณ์ขัดไม่มีศิ่งก็ปรากฏอารมณ์ของสิ่ก็ปรากฏกับใจเมื่ออารมณ์รู้สิปรากฏกับใจใ จ, ใจสงบสมาธิก็เกิด เมื่อสมาธิเกิดกายใจส่งบใจมีความเยือกเย็นปัญญ า, าก็เกิดเกื่ความว่าทั้งหมดนี้มีการเนื่องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลบรรดาตนพุทธบริษัททุกคนเป็นห่วงศีลเข้าใจว่าศีลไม่คกรจะบริสุทธิ์บกพรองข้อนั้นบ้างบกพร่องข้อนี้นบ้างแลนนี้พื้นฐานของศีลจริงๆถ้ายังมีกับเรา ก็ต้องมีคุณธรรมสองอย่างในพมิหานสี่คือหนึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสารทันสองอย่างนี้ถ้ามีก็มีประจำใจขินทกซึก้งขีขาบทจะไม่บกพร่องเมตตาความรักแต่ความรักมีอยู่เราก็ฆ่าเขาไม่ได้ฆ่ากูรักไม่ได้ฆ่าสัตว์ที่รักไม่ได้เมตตาความรักแต่ความรักมีอยู่ เราก็ขโมยของเขาไม่ได้คนที่ ร, รักก็ไม่ก็ไม่ขโมยเมตตาความรักมีอยู่เราก็มาเมิดความรักของเพื่อนเมตตาความรักมีอยู่เราก็มาหกงดเท็จคืองความวาม่นมีเมตตาคือความรักตัวเดียวศีลย่อมบริสุทธิ์ตีบริสุทธิ์ยิ่งกว่านั้นก็ต้องมีการณาความสงสารไม่ปราถนาจะทําทให้เขาให้เป็นทุกข์ เจ่นนั้นในอุทุมปริการสูตรในพระไตรปิฎกเล่มสิบเอการที่ท่านแนะนําในการเจริญภรหมีหันสีแองเขาโทษในเก <c oughs> ิดในการเจริญ eh, ว oh, like, ิชาสามนั nh, ader, on, hu, h, ้นบอกว่าอันดับแรกก่อนที่บรรดาท่านพุทธริษัชย์และพโยคาวจรคําว่าพโยคาวจรในหมายถึงคนเจริญกรรมฐานทุกคนพโยคาวจรให้แผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวง มาอย่างนั้นนะว่าในโลกนี้ทั้งหมดจะเป็นคนก็ตามจะเป็นสัตว์ก็ตามเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะไปมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดคือเพราะอย่างยี้อารมณ์นี้อาจจะได้เฉพาะเวลาที่เราจเจอกรรมฐานก็ใช้ได้ด้านอกอจะตัดนั้นไปเพามีจิตคิดสงสารคือคือกรุณามีความสงสารคนและสัตว์ที่มีความทุกข์ โดยจิตคิดว่าถ้าไม่เกินวิสัยของเราที่เพึงช่วยได้เราจะช่วยเขาให้มีความสุขตามกำลังอันดับแรกท่านบอกให้ใช่สองข้อนี้เป็นพื้นฐานก่อนที่ภาวนาใดในทั้งหมดต่กเนะ่าใดถ้าจิตของเรายังไม่สามารถสงบยังมีความวุ่นวายอยู่ยังคิดอาฆาตมาร้ายคนอื่นอยู่เราก็ยังไม่ภาวนาถือว่าเรายังแพ้นี้วอน ถ้าบัญญัติคิดอาคาตมาร้ายไม่ชอบใจใครอยู่บ้างก็ยังคิดถึงความตามความเมตยิงด้วยกำลังพระไม่ตายคุณนาสองอย่างว่าคนแลสัตว์ที่เกิดมาในโลกทั้งหมดทั้งคนทั้งสัตว์ทุกคน ท, ก ท, กทุกตัวต้องการความสุขเกยดความทุกข์เหมือนกันทั้งหมดแต่ที่บังเอิญต้องสร้างความขัดใจให้แก่บุคคลอื่นเพราะอาันนัอ้อักุศ ล, ลกรรม เอาคุณกรรมชาติก่อนบนบันไดเขาให้มีความทุกข์การเป็นศัตรูกับคนอื่นนัะนเนบีความทุกข์เมื่อเขาเทียบระกาศัวประกาศตนเป็นศัตรูกขา บ, บ้างกับคนอื่นบ้างเขาไม่มีความสุขชาตินี้เขาไม่มีความสุขเพราะอารมณ์ใจเศร้าหมองชาตินาเขาตายไปแล้วเขก็มีความทุกข์ความพระบารีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังริเถ ท, ทุ ก, กติปาริรังขา ก่อนจะตายให้จิตใจเศ้าหมองและมีอารมณ์วุ่นวายไปสู่ทุกติมิตรกเป็นต้นคิดว่าเขาเป็นทุกข์เขามีทุกข์แล้วเราจะไม่ยอมทุกข์กับเขาตัดใจว่านับแต่นี้ไปเขาจะเป็นศัตรู ก, กับเราก็ช่างแต่เราจะไม่เป็นศัตรู ก, กับเขาเราจะพยายามทาจิตเป็นนิสกับเขาอย่างนี้ก็ค่อยทำทุกวันนะอารมณ์จิตจะเป็นสุขเราสร้างความสงสารบุคคลทั้งหลายที่มีความทุกข์ ว่าความทุกข์ที่เกิดมาแล้วทั้งหมดนี้เพราะสายความเกิดเป็นความเกิดเป็นเหตุไม่เกิดมาแล้วว่ากฎของกรรมคือกรรมที่แพกสนติดตามมาจึงมีความทุกข์ทดลองความอันดับแรกก่อนภาวนาใช้เมตตาความรักกรุณาความสงสารก่อนเป็นการประคับประคองใจให้ส่งอารมณ์เป็นสุขหลังจากนั้นตามอุทุมปริการสูตรท่านบอกว่าหลังจะ ก, กลับจะบิณบาติหมายถึงพระ กระว่ายก็เอาเวลาว่างพยายามหาที่สงัดตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกาหนดรู้ล้หไม่ใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวและสั้นก็รู้อันนี้เป็นสมาธิต่อนน้านไปแต่บอกทำจิตให้เป็นฌานสมาบัติแล้วก็ฝึกทิพญานให้เกิดขึ้น สามารถรู้เห็นได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการแลวก็ฝึกปลุกเป็นิวาสานิยานให้เกิดขึ้นคือรสชาติสามารถรสชาติได้โดยไม่จำกัดอย่างนี้ตั้งถือว่าจบจิดส่วนหนึ่งในด้านฌานโลกีซึ่งจะเป็นกำลังใหญ่ในการเจริญปกรรมฐานฉะนั้นบรรดาท่านผู้บริสัต์วันนี้หรวันต่อไปท่านจะฝึกที่บ้านก่ตาม ตอนที่ภาวนาใดๆทั้งหมดให้ใช้พรมยานสี่เฉพาะเมตตาความรักกุณาความสงสารก่อนเป็นตัวนําเมื่อเห็นว่าจิตเยือกเย็นไม่คิดเป็นศัตรูกับใครจิตคิดเป็นมิตรแล้วก็ตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้หลังจากนั้นก็ภาวนา คำวนาจะใช้อะไรก็ได้ตามอธัธยาศัยคือคำาวนานี้ไม่จำกัดอย่างนี้เขาเลยเจริญพรหมิหารสี <c oughs> นี่นก่อนจะลงมานี่มีพระแต่บอกว่าควรจะพูดถึงอริสงพรหมิหารสีให้ญาติโยมทราบพราะคุยกันปแบบนี้ฟังเพลินบ้างหลับบ้างลำคาญบ้า ง, าางตามปกติใช่ไหมให้ปริชาิจ้าฟือแล้ว ันอันอาจจะภาวนาก็เปสมาธิก็ได้นะเราเรียกว่ามันถ้าพูดถึงผลของพระมีหานสีนี่เรียกว่าพระมีหานสีที่มีสักฟันกันหนึ่งเมตตาความรักเรามีรมรักระลอดแต่รักนี่มันหมายที่กามารมนะจากใครก็าตามมาจากไหนก็ตามคนชาติเดียวกันคนเรนชาติก็ตามรูปร่างดีหรือไม่ดีก็ตาม ฐานะตามฐานะสูงก็ตา ม, านะตามเรารักถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันนี่เป็นอารมณ์แรกเนการในสองมีอารมณ์สงสารถ้าเห็นว่าเขามีความทุกข์คิดว่าจะช่วยมีความสุขถ้าไม่เกินวิสัยถ้าบังเอิญมันเกินวิสัยจริงๆแล้วก็วางเฉยในข้อสีว่ามีหานไม่ซ้ำเติม ถ้าหากว่าเห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยไม่ชา้าทิษยาเขาข้อท้ายก็บเบกขาว่ามาแล้วนะในหลักกายพงมิหารสี่เป็นอย่างนี้เจดีวันหนึ่งเมตตาความรักสองก้นางความสงสารสามมุตตาจิตอ่อนโยนไม่ชา้าทิษยาไข่เห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยสี่เบกขา ว, วางเฉยไม่ซ้ำเติมไคร อารมณ์ใจอย่างนี้ทําให้ทรงตัวอารมณ์จิตจะเป็นสุขโดยเพราะอย่างยิ่งหมายถึงผลองค์สำเร็จพระทศพลเคยตรัสเจอพระมีพระกลุ่มหนึ่งเข้าไปเจริญกรรมฐ า, านในป่าท่นนี้ค่อยชั่วนะพอเข้าเรื่องของเราตาเจอที่จําสายนิติดนะมีพระกลุ่มหนึ่งเข้าไปเจริญกรรมฐ า, านในป่า อันดับแรกลูกเทวดาก็คิดว่าพระธญมานแล้วสองสามวันแล้วมาสักครู่หนึง่งแล้วสองสามวันก็ตามก็อุ้มลูกจุงหลานลงจากยอดไม้ลูกเทวดาถ้าไม่วิมานแปะยอดไม้อยู่ไม่หยิ่ไม่ห้อนยอดไม้แปะใบเฉยๆเข้ามาอุ้มลูกจุงหลานเดินสั์บําเภยแต่ความจริงเทวดาไม่มีคนแก่ไม่มีเด็กมีแต่นมกับสาวทั้งหมด ต่างคนต่างเกรงใจพระอินทรพระมานั่งโคนต้นไม้ก็ลงมาเจาะต้นไม้นี่ความจริงแนะพระท่านใปจําบรรษาหลายวันเข้าพระก็ไปไปทุทีเจก็ตนยืนแกล้วอยู่พื้นดินชั ก, กลาคาญถ้าจะไล่พระก็เกรงใจพระขืนให้พระอยู่ก็ไม่ได้ขึ้นวิมานจะขึ้นก็เกรงใจทําไงก็แกล้งทําเป็นเสียงเสือบ้างเสียงสิงบ้างเสียงผีบ้างเสียงอะไรก็ตามให้เป็นของน่ากลัว กลวงความละพระทั้งหลายเท่านั้นยังไม่ไเป็นปสดาบันควาจริงปสดาบันก็เพลินเหมือนกันที่ไม่กลัวจริงๆต้องเป็นพระราหันต์แต่บางเอิญพระพวกนั้นยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเพงฝึกใหม่ก็เกิดความกลัวนั่งนอนแยกกันไม่ได้ถึองอยู่ด้วยกันจิตใจก็ไม่เป็นสมาธิไม่มีการทรงตัวแต่ถ้าอยากลับก็เกรงว่าจะเสียสัจจะในฐานะคิดว่าเราจะมาจำพรรษาในป่า รอจ้าออกปรรษาเพื่อกลับไปเมื่อกลับไปถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าแล้วก็ข้าไปหาในเมื่อนำบัญญั ก, การเสร็จพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธอทั้งหลายมีความสุขดีอยู่หรือพูดเป็นภาษาบาลีแนละแสงขอพูดเป็นภาษาไทยอ่ะภาพบนนั้นก็บอกไม่สุขพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าถามอย่างไงบอกมีเสียงสัตว์ ร, ร้ายและเสียงผีร้ายเป็นครามตลอดวันตลอดคืน ปติสมปัญญะไม่ทรงตัวมีความหวัดหวั่นทาสมาธิไม่ได้เจริยว่าไม่วาสนาญาณไม่ได้คือไรผลเบญสานิองค์สนเด็จปทุตพนก็มีพระพุธธธทธกิริยาแต่ว่าพิกาวดูก่อนพิสุทธทิ์งหลายพวกเธอเข้าป่าทำไมไม่นำอาวุธไปด้วยน่พระพุทธเจ้าสอนให้มีอาวุธใช่ไหมพระพวกนั้นเป็นพรามมาก่อนฟังแล้วก็ตกใจ ถามว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนามีอาวุธหรือพระเจ้าเขบอกว่ามีท่านถามว่าอาวุธนั้นได้แก่อะไรท่านบอกเมตตาทำไมเนี่ยบอกกรณีเขาเล่าเรื่องตอนตอนบทเมตัญญสัพพโรคือเมตตาก็มีความรักทั้งหมดจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีจะเป็นผู้ผีผีใสยก็ตามเป็นเทวดาเป็นคนก็ตามทั้งหมด เราถือว่าเราเป็นมิตรีดีของคนทุกคนและสัตว์ทั้งหมดและมนุษย์ทั้งหมดท่านบอกว่าถ้าพวกเธอนำอํำอาวุธไปด้วยอาวุธคือเมตตาพวกเธอจะมีความสุขจะได้มากผลถ้าก็ถามว่าจะทำยังไงท่านบอกขณะที่เดินไปยังไม่ถึงสถานที่แผ่เมตตาจิตครับไปก่อนคาว่าแผ่เมตตาจิตจะหมายความนึกว่าเราจะเป็นมิตรดีอันดับแรก อย่างเช่นเคยทุดงเคยใช่แบบนี้นะอันดับแรกคิดว่าสถานที่นี้เรามาเรามาใหม่ขออาัยที่อยู่เขาบรรดาเจ้าที่ทั้งหลายและผีผู้ผีเทวดาทั้งหลายทั้งหมดได้ภัยกับเราเขาความเมตตาจากท่านคอยคุ้มครองให้มีความสุขนีอารมณ์อของฉันนะเวลาทวดงแต่เวลาที่พระเจ้าดอนสอนนับบอกแผ่เมตตาเลยก่อนสร้างจิตคือความรักขบีกอดได้บคุคคลสัตว์อมนุษย์ทั้งหมดในที่นั้นก่อนถึงนะ เมื่อถึงแล้วก็คิดอย่างนี้อีกเมื่ออยู่แล้วก็คิดอย่างนี้ทุกวันตื่นขึ้นเช้าคิดเป็นมิตรแตาตอนเย็นก่อนจะนอนคิดเป็นมิตรอย่างนี้แต่บอกอารมณ์จิตของเทวดาหรือพรหมหรื อ, อ, อมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกับคนเพราะไปจากคนจะมีความรักในพวกเธอเสียงทั้งหลายที่ปรากฏกับเธอในความจริงไม่ใช่เสียงเสือไม่เสียงเสียงไม่เสียงผีเป็นเสียงลุ ก, กเทวดาเธอกลับไปใหม่ และผู้นั้นไม่ได้ใดที่พระเจ้าทรงแนะนําก็กลับไปทําตามนั้นอันดับแรกแผ่เมตตาไปก่อนตั้งใจเลยก่อนจะออกเดินทางคิดว่าในสถานที่นั้นจะมีใครก็าตามผีก็าตามเทวดาก็าตามใส่ก็าตามทั้งหมดเราขอพปมิตรที่ดีของท่านแล้วก็เข้าไปถึงก็คิดอย่างนั้นขณะอยู่คิดอย่างนั้นพอเข้าไปตอนนี้เทวดาแทนที่จะําคาญ เกิดมีความรักมีความสงสารในพระตอนเช้าพระออกเดินไปบำบัดก็ไม่ทันจะถึงบ้านเทวดาใสนางฟ้าใสเป็นนั้นว่าพระก็มีความสุขสบายเสือเ ส, เสียงเสือสิงก็ไม่มีเมื่อจิตสงบไอ้เสียงต่างๆที่จะมารบกวนพระเทวดาไล่แล้วก่อนในเสียเทวดานะทีนี้เทวดาแม่แกมาล่องละง ก, ลใใกล็เสือก็ห้ามร้องไกลไกสิงห้ามร้องไกลใครก็ตามแม่ต่สุนัข ถ้ามาห่างเขาใกล้ๆถ้าพระได้ยิงเกรงว่าพระจะนำขานในจิตใจจเ ย, ยาวบวชในที่สุดพระโพนั้นก็สเสด็จอราหาันหมดนี่เมตตาพรมาหารนะทุกคนนะ <c oughs> ก่อนจะเริ่มมาฐานตั้งแบบนี้ก่อนครับถือเป็นพื้นฐานไปเลยในความจริงก็ต้องแบบนี้นะแล้วตอนนี้ไปก็มาคุยกันถึงตอนไปทุดดงดีไหมอ า, อารมณ์ก็เมตตาไปทวดดงจริงๆไม่ใช่อะไรมาก ขึ้นชีวกรรมฐานเนี่ยเป็นปกติอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ไปทุดงก็จะเป็นปกติแต่มีพิเศษบทหนึ่งคือพรมิหารสีพรมิหารสีนี่ให้คุณมากรบว่าพ่อปานสั่งแล้วสิบวรยลละนั้นละไม่ได้นะถาลามาไดเธอไม่ได้กลับวัดอยู่ในท้องเสือเวลานั้นเสือชุ่มป่าชัดมีมากเมื่อใช้พรมิหารสีตามที่พระเจ้าทว่าเมื่อกี้เนี่ย ก็ม <ils> ีความสุขเวลาเดินเข้าป่าน <laughs> ี่ผกเสือสิงต่างเห็นแล้วก็ไม่มองเสือเนี่ยเดินหลีกกันเฉยเขาว่าเดินเฉยแล้วก็เดินเฉยไอเราไม่ควรเฉยนะกบไม่ใช่ตั้งท่าปฏิเสเสือนะจะกลัวเสือสิอันนี้มันมีอยู่ว่าถ้าบังเอิญเกิดความกลัวขึ้นมาจริงทําไงจิตคิดเมตตาเรารักเขาเขาจะรักเราหรือเปล่าถ้าคนรักก็พอแต่เาถ้าเสือรักย็งต้องคิดนะ เสื้อมองมองดูอง์นี้อ้อนดีนี่วะมีเนื้อมากชชอบใจสแล้วก็ชาวองนี้ก่อนนึอว่าจะกินตรงไหนดีกินปุงก่อนหรือกินหัวก่อนเราก็แย่เหมือนกันนะก็ในเมื่อกำลังใจไม่เคยแน่นอนนักก็ต้องใช้คาถาบทหนึ่งพระพุทธบาลให้ไปเป็นคาถาครงพรทแช่มวัฒนาจะหลองจังหวัดปูเกตคาถาเมตตา แม่ท่านขึ้นต้นว่าพระอระหังสุภโตพระกวานัเมตตาจิตนะนี่ผงได้กันหมดแล้วสินะอย่างนี้ก็ทำด้วยความจริงจิตคิดเมตตาล้ะก็ว่าแบบนี้เรื่อยทั้งวันนะไม่ลืมหรือไม่ได้ัวเสือกินก็มีประโยชน์มากถ้าบังเอิญเจอช้างช้างโขงในป่านี่ดุแต่เจอช้างที่ไรช้างกับเป็นพี่เลี้ยงที่ดีที่สุด อย่าลืมนะว่าคาถาบทนี้มันด้ห่างจิตเลยนะว่ากันเดียก็ะอะไรมั้งลืมตามาไม่มีพวกเราเลยก็มีกันอยูก่กันสามองค์ก็คิดในใจว่าไว้สามองค์ในใะครเยือยเสียก่อนกันเท่านั้นไม่มีอะไรแล้วเจอช้างช้างโขลงเดินมากเขากินกหญ้าเฉยเฉยพอเห็นหน้าก็หันหน้ามาเดินมากมีช้างสีดอเปน็นนายฝูงก็ถามว่าพระปู ที่ไหนมีน้ำมั่งร้อนเกินอยากจะส่งน้ำเขาก็หันหน้ามาดูหรือหันหน้าเดินไปเดินไปสองสามก้าแล้วหันหน้ามาดูนีนแสดงให้เราตามไปแล้วก็ตามไปพอถึงใกล้ๆบ่อน้ำท่านมนุษย์าจะเขาเขาจะหยุดแล้วงวงเบนชี้ไปที่บ่อน้าเข้าไปตามนั้นจะพบน้ำใสใช่ไหมอาบน้ำน่าสบายแต่ว่าสถานที่นั้นถ้ามีอันตรายมาก จะมีช้างของทั้งหมดมายืนรอบปากบ่อหันหน้าออกป้องกันเสือและสิงแอมน่าเมตตาเมตตานึกก็เมตตาว่าดีนะสองสองเมตตารอดะหมดเลยจแล้วต่อมาเวลากลางคืนเพื่อนประจําเวลากลางคืนก็คือเสือเวลาประมาณสองทุ่มเลิกจากเจริงกรรมฐานตอนเย็นก็จะเลิกกันประมาณสองทุ่ม สอตก็มานั่งรวมกันคูณต้นไม้หน้าธรรมโดยมักอยู่หน้าธรรอยู่ในถ้ำลมพัดเย็นๆตอนนี้ป่าป่ามันไอป่าป่าสูงมันโปร่งมันมีใบได้ยอดต้นเต็งต้นรังนะมองมาก็เหมือนเสาไม่ไม่มรกนั่นเสาปักอันดับแรกจะยินเสียงเพราะเพราะเพราะดังมากก้องป่าป่ามันก้องแล้วมองไปที่นัยตาวาวหอยฉายทั้งคู่ตาเสือ พอก็หันหน้ามาเห็นข้าปั๊บไอเสียงข้อดังในหยุดเลยเดินเข้ามาแต่ข้อไม่ดังน่าทำยังไงอันนี้ตั้งใจเรา ส, สามองค์มึงจะไปไหนกูจะไปไหนก็ว่าไม่ใช่วิ่งนะนึกในใจว่าเราจะไปสวรรค์หรือรไปพรมโลกหรือไปในพายกันตัดสินใจตอนนั้นถ้าประเอิญเสือกัดตอนนี้เราก็ตายตา ย, ตายแล้วจะไปไหนหลังจากนั้นก็ว่ากระถาแผ่ไม่ตายกระทาย พระังสุกตัวพระกวานั้ไม่ตาจิตว่ากันคอคือแห้งไปเลยไ <c oughs> ม่ได้เสียเอาเสียงนะั้นึกในใจแนละ้วไม่มีใครพูดเสียงเสือหันมาปั๊บเงียบพระสงบสงัดพร้อมยอมให้เสือกินแต่่าเสือเข้ามามาถึงกัน้าห่างอยู่ประมาณสักเมตรหนึ่งก็นั่งขาไอ้สองขาหลังนะพับพับเพียบมันแล้วพ็เปียบเนี่ยสองขาน่ายัน ก็มองหน้าคนนั้นมั่งมองหน้าคนนี้มั่งไม่รู้จะพูดอะไรเลยลืมลืมภาษาเสือไปใช้เวล า, าสักสิบนาทีเสร็จแกจะกลุกไปถ้าลุกไปก้าวไปสักสองสามก้าวจะหันหลังมาดูถ้าเสือแทนต้องหันหลังดูแล้วก็เลยหายไปเป็นอย่างนี้ทุกคืนเราต้งเชื่องในเสือแต่คําว่าเชื่องในเสือไว้ใจไม่ได้เพราว่ากระถาคําว่าเชื่องในเสือต้องเชื่องในกระถาด้วยนะ ในคิดว่าถ้าเราบกพร่องเมื่อไรจิตห่างพรมิหางสีเมื่อไรถ้าเราบกพร่มื่อไรเข้าใจว่าเสือกินแน่พ่อปาก็เคยสั่งไว้เวลาเจริญกรรมฐานย่างคืนเคยเห็นหลวงพ่านท่านไปได้บอกคุณในป่าอันตรายรอบด้านในความตายมีอยู่ทุกขณะอย่าไว้วางใจในบนรรดาสัตว์ร้ายความดีใดๆที่มีอยู่ทรงให้พร้อมเพียง ให้การทรงความดีพร้อมเพรียงมันมีผลสองอย่างคืนหนึ่งสัตว์ร้ายไม่ทำสองไม่อุดข้าวเวลาเช้านะเีนี้รอหย่ายสามวันยังก่อนนะเวลาเช้าต่กันคืนวันทั้งวันถ้าจิตเราจิตใจระบกกร้องวันรุ่งขึ้นบินาบาทไม่มีใครใส่บาตรให้ถ้าจิตใจไม่บกกร้องก้าวออกจากที่พักแตกปากทาไปก็ไม่ถึงร้อยเม็ร เคนใส่บาทแต่คนใส่บาทจริงๆก็แหมจนแสนจนนะนุ่งผ้าขายกระลุ่มกรลิ่งผ้าเกา่าแสงเกา่าผิวก็เศรมองหูหนหนาดูเลยไอข้ขันข้าวก็เละเทอะแต่ว่าข้าวสีเหลืองไม่มีกลับข้าวมีสีเหลืองหน่อยหน่อยไม่มีกลับใส่ข้าวแล้วพร้อมก็ใส่ดอกไม้ดอกไม้ประเภท น, นั้นไม่เคยเห็นในมนุษยโลกสวยมากนะดอกไม้ก็พอดีเต็มปากบาทพอดี เป็นอย่างนี้ทุกวันถ้าว่าวันไหนบกคร่องเขาไม่ใส่บาทให้แสดงวันนั้นเสือกินน่าบกครองนะ mm hmm. ก็เป็นนั้นว่าเป็นการบังคับตัวในจิตบังคับตัวในตัวเองจะ mm hmm. ถามว่าในขณะที่ไปทุดงอยู่นั่นดีเก่งมากพอหรือ mm hmm. ก็ต้องทอขอต่อว่าถ้าเก่งจริงไม่ต้องไปทุดง mm hmm. คนที่เขาเก่งจริงแล้วไม่ต้องไปทุดง คนที่ไปตัดวดงเพราะยังไม่เก่งไปเพื่อหาความเก่งหาความเก่งจุดไหนหาความเก่งในฌานสมาบัติฌานสมาบัติถ้าเราได้จริงๆแนละ้วมันก็ยังดีไม่พอถ้าเป็นฌานโลกีฌานโลกีนี่ไว้ใจไม่ได้แต่ความจริงคนที่อยู่ในปา่าพระที่อยู่ในปา่านเร่องเก่งๆมันไม่แน่นอนนะครัามีเว้นไว้แต่วท่านที่เป็นพระอริยเจ้านะ กามจริงอยู่ในป่าเก่งมีจิตสงบส ง, บสงบัดดีมากแต่พอเข้ามาเข้ากลุ่มคนเสียงคนพูดเนี่ยสร้างทำลายสมาธิจิตใจไม่สงบตัวก็เคยอยู่แต่ที่เงียบพอยิงได้ยินเสียงคนพูดจกแจกคนอะเดี๋ยวจิตวุ่นวายก็สะนดใจก็เป็นน้ำว่าไม่เก่งจริงย้ังการฝึกในที่สงัดแล้วก็ต้องฝึกในที่เงียบดย้วยดังนั้นเวลาที่ฉันอยู่ในปา่าเนี่ยเราก็เมตตาก็มีหานนะ ว่าเรื่อยเฉยไปไม่จะหมดเวลาตาพองๆดีเมื่อกี่ตายยีๆใช่ไหมเ <c oughs> ดี๋ยววันนี้คู่นี้ก็ไม่จบเรื่องแต่ว่าไม่ต่อมาเป็นปีที่สามจากปีที่สามไปต้นมาทษดองยิงสิบปีไม่แต่ว่าไม่อยู่ในป่านั้นสิบปีนะอย่างต่าก็หกเดือนไม่งั้นก็แปดเดือนไปแล้วตัดสินใจไม่ครบเวลาไม่กลับตายเป็นตายเข้าป่านชัด ต่อมาที่หลวงพ่อจะบอกว่าการอยู่ในป่าว่ามีสมาธิดีแต่มันไม่แน่คุณยังไม่ได้สัมผัสในเสียงถ้าคนที่ทร ง, งชานจริงๆแต่สมมติเราทำไม่ชันชนัชนที่หนึ่งเขาจะไม่รําคาญในเสียงแต่หากว่าท่านดำคาญในเสียงอยู่ยังใช่ไม่ได้ชันหนึ่งก็ยังไม่ได้ต่อมาเข้าป่าอีกกร น, นี้เวลากลางคืนสงบสงบสงัดจริงจริ ง, ร ง, รงกลางวันไม่สงบแล้ว พวกเล่นกลองยาวบางปีพาดแบ่งแกวงมั่งไสสีซอสไอต้ตอนลองเพลงละครเล่นใก ล, ๆ ล, ใล้ๆนะเขาเล่อใกล้ๆกันอนาแค่เสาเสียงกลองยาวคุ้มพูดไม่รู้เรื่องเราเป้นเงินส น, นุกสนานแล้วก็ดังมองนีน้มังใครว่าใช่ั้มมองไปมองมาก็รู้ว่านี่เทวดาเช่นจาตุมหาราชมนุษย์ที่ไหนไมันจะมาแล้วใครจะมาเล่น ในเวลาที่ดูฟังเสียงกลองยาวก็ดีปีไพกก็ตามแปรวงก็ตามก็คิดไปตามเสียงเป็นอารมณ์วิปาาัสนาญาณอันดับแรกฟังเสียงหูอยู่ในเสียงจิตอยู่ในเสียงเป็นสมาธิาจิตไม่ทิ้งเสียงใช่ั้ยต่อไปก็พิจารณาเสียงแตงรังวิปัสนาว่าเสียงเนี่ยยังปีและแกรเนี่ยแปรวงถ้าเขายังเป่าอยู่เสียงยังปรากฏ เขาเขาหยุดเป่าเมลัยเสียงก็ขาดเหมือนนั้นมันก็เหมือนกับชีวิตของเราถ้ายังมีลมให้ใจอยู่ชีวิตก็ทรงอยู่ถ้าขาดลมให้ใจเมลัยชีวิตก็ดับต่อมาถ้าไปเครื่องตีอย่าบีบพลาดถ้าเขายังตีอยู่ก็มีเสียงแล้วก็คิดว่าเปรียบเทียบกับชีวิตของเราถ้าเขาเลิกตีเมลัยก็ขาดเสียงเหมือนกับเราที่มีลมให้ใจเขาออกคิดเหมือนกันคิดอย่างนี้ก็คิดต่อไปว่าที่เราต้องการความสงบ แต่เวลานี้เสียงกังวานเกิดขึ้นเสียงไม่ใช่แววแววนะไม่ใช่เสียงวิทยุว่าแดงกันชัดชัดเราปรากวนโลกเต็มในความทุกข์ห้ความแน่นอนไม่ได้เราหนีเสียงเข้าในป่าเสียงก็ตามมาลบกวนซึ่งมันก็เป็นของธรรมดาของชาวโลกตามที่พระเจา้าตรัสว่าขึ้นชื่อว่าพระหรันอยู่ในป่าก็สงัดอยู่ในถ้าก็สงัดอยู่ในเมืองก็สงัดอยู่ในกลุก่มของกษัตสงัดเพราะจิตท่านสงัดจากกิเลส เวลานี้เราไม่ใช่พระธานแต่ว่าเขาขอเรียนแบบพระธานเขาจะเล่นตัวเล่นกันไปให้พวกนี้ถ้าเป็นคนอายุก็ไม่เกินร้อยปีก็ตายเราก็ตายเหมือนกันเป็นกดที่ธรรมดาโลกนี้จะหาความสงบไม่ได้พอคิดเพียงเท่านี้เพราะเราไม่สนใจในเสียงเลิกเล่นดีไหมพักพวกวางกลองวางปีพาดเลิกเต้น ได้การที่แต่งตัวเป็นคนผ้าขาดผ้านุ่งขาดบุกมิ่งนะผ้าปกหัวเก่าๆหายหมดกลายเป็นทิวดาเขาถามว่าท่านไปนำคานหรือก็เลยบอกว่าจะนำคานเลยกะเรวราคพวกกเรวราสร้างศพมาเที่ยแกล้งแบบนี้ขี้เกียจนำคานนำคาญก็แค่นั้นมันก็เล่นยิ่งนำคาญไม่ยิ่งเล่นทสมัมนำคานมันก็เลิกเขาถามว่าผมไม่ ส, สาามร้างศพเลยท่านก็เลยบอกว่าถ้าพวกแกไม่เป็นศพแกเป็นทิวดาได้ยังไง อน น, นั้นกวนราะอนี้นหน้าออกมาขนหน้าคือทเทววิสุวรรณบอกว่าท่านตัดสินใจดีใช้แบบนี้ถูกที่พวกผมมาเป็นการพิสูจน์ว่าท่านต้องการความสังัดต้องการทงความสังหัดจากเสียงภายนอกจะจิตสังัดหรือเปล่า<ม>ความจริงยังไม่ใช่พระอริยเจ้าแต่อารมณ์ต้องสังัดในบางยังหวะต้องคุมให้ได้อันนี้ใช้ได้นนี้เปลี่ยนใหม่หายไปสองทั้งวันเพราะสองสันมาใหม่ จากผู้ชายไกลไปผู้หญิงมันเลงแล้ว mm hmm. ขับร้องเฉยแจ๋วแล้วก็นอนฟังตามทํามบัญญัติอกแกร้อยคอแตกตายก็ลองเคยนอนฟังมม ก, ก็กลงเนน mm hmm. กลยใช้เสียงเป็นธรรมเห่น mm hmm. ไหมคิดว่าคนพู้นี้ทั้งหมดก่อนที่จะมาร้องได้เขาเป็นคน mm hmm. จากคนมีทุกขเวทนาอย่างหนักแล้วกว็าตาย mm hmm. ตายได้อาศัยที่ความดีมีอยู่มีฌานสมาบัติอยู่บ้างมีบุญมีทานมีศีลบ้างมีภาวนาบ้าง เกิดมาเกิดเป็นนางฟ้าได้เวลานี้เธอเป็นนางฟ้าเธอมีความสุขแต่อํานาจบุญวัสนาบารมีของนางฟ้านี่อยู่ไม่นานเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีอะไรก็ต้องจุดติมานั้นเราก็เช่นเดียวกันไม่ช้าเราก็ต้องตายอย่างพวกเธอแน่นอนในที่สุดถ้าความดีก็มีอยู่แล้วก็เป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างตามตามสภาวะที่พึงมีถ้าความดีมีไม่พอเราผูลง ร, งรกัก ที่นั้นเสียงก็ดีภาพก็ดีที่ปรากฏเราจะไม่สนใจเราสนใจภาพของเธอเป็นมิพัฒนายานเดิมที่มีความเกิดความแก่ความป่วยไข่มสมบายความตายในสุดเป็นมาแล้วเวลานี้เป็นนางฟ้าในสุดเธอก็ต้องจุติต้องตายเหมือนกันรวมความทุกอย่างมนุษย์โล ก, กเปรียนณนิจังเทวโล ก, กเปรียณิจังเราเองก็เปรียณิจังเราจะสนใจอะไรกับมันถ้าสนใจต่อไปเรามีความทุกข์เป็นทุกขังและไม่ต้องการ ต่อไปแปลนอนัตตาก็ช่างเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานเพรนี้แค่นี้หมดเวลาตาพองปีไม่มีใครหลับเลยนะคืรลงค ว, วามเมตกำลังเมตตาจิต <Okay. S 1> อย่าลืมนะเมตตาคุณาสองอย่างที่จะเป็นได้ตามนี้ก็เพราะเรามีพระะมิหันสี <Okay. S 1> ถ้าเพระะมิหันสีไม่มีเขาก็ไม่สงเคราะห์ไอที่เมาเนะี่ยสองท่าต้องคลอดนะให้พิสูจน์ เราบอ ก, กคนที่พระปานบอกว่าเสสมาธิเวลาสงัดดีถ้ากระทบกับเสียงเข้าจิตจะบุนไวยเวลานั้นเกิดไปบุนไวยใช่ไหมใช้ได้ทั้งสมาธิทั้งโบบนาญาณณตอนนี้ไปขบดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐาน